เนมาขึ้นมิลินทปัญหาต่อจากครั้งที่แล้วหน้า328อัตตนิปาตนะปัญหาแปลว่าปัญหาว่าด้วยเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายอัตตะก็ตัวนะนิบาดนิบาทก็คือนิบาทก็ทำให้ตกทำให้หล่นไปนะก็คือการฆ่าตัวนั่นแหละพระเจ้ามิลินกราบรียนถามพระนาคเสณว่าพระคุณเจ้านาคเสน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาเสร็จความข้อนี้ไว้ว่าณภิขเวอตานังปาเตตาปังโยปาตยะยะถาธรรมโมกาเรตาโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ควรทำตนให้ตกไปหรือแปลว่าพวกเธอไม่ควรฆ่าตัวตายภิกษุรูปใดพึงทำตนให้ตกไปหรือที่เรียกว่าฆ่าตัวตายต้องปรับอาบัติภิกษุนั้นตามสมควรแก่เหตุ ฆ่าตัวตายเป็นอาบัตทุกกฎเนี่ยนะถ้าเป็นพระภิกษุฆ่าตัวตายเป็นอาบัตทุกกฎไม่เป็นปรารชิกนะนะไม่เป็นอาบัติใหญ่เป็นทุกอาบัตทุกกฎทีนี้อันนี้ข้อแรกบอกว่าภิกษุห้ามฆ่าตัวตายเังนั้นแหะคือพระภิกษุถ้าภิกษุรูปใดฆ่าตัวตายเป็นอาบัติแต่พวกท่านกล่าวไว้อีกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายในที่ใดที่หนึ่งก็ตาม รพระพุทธเจ้าเมื่อแสดงธรรมเนี่ยนะย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อการตัดขาดซึ่งชาติชารามรณะโสกปริเทวะเนี่ยนะโดยปริยายเป็นอันมากกว่าแสดงธรรมเพื่อตัดชาติชารามรณะสาวกผู้ใดผู้หนึ่งก้าวล่วงชาติชาราพยาธิมรณะได้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสสรรเสริญสาวกผู้นั้นด้วยพระวาจาตรัสสรรเสริญอย่างยอดเยี่ยม คือถ้าผู้ใดตัดขาดชาติชราพญาธิมรณะได้โว้ยชมมากเลยเช่นชมภาษารีบุตรชมพระโมกขาลานะชมพระมหากรสปะชมชมจริงๆนะชมพระอริยเจ้าชมมากเพราะว่าท่านเหล่านั้นปฏิบัติก้าล่วงชาติชราพญาธิและมรณะไปได้พระคุณเจ้านาคเษนถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า ดูก่อนภิสุทั้งหลายพวกเธอไม่ควรทำตนให้ตกไปภิกษุรูปใดทำตนให้ตกไปก็ต้องปรับอาบัตภิกษุรูปนั้นตามสมควรแก่เหตุดังนี้จริงไซถ้าอย่างนั้นนะคาที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงธรรมเพื่อการตัดขาดซึ่งชาติชราพยาธิมรณะดังนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้อง ถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อการตัดขาดซึ่งชาติชราพญาทีมรณะจริงซไซถ้าอย่างนั้นคําที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายพวกเธอไม่ควรทําตนให้ตกไปพิกษุรูปใดทําตนให้ตกไปต้องปรับอบัติภิกษุรูปนั้นตามสมควรแก่เหตุก็ย่อมไม่ถูกต้องยังไงกันแน่บอกว่าพิสูห้ามฆ่าตัวตายอีกที่หนึ่งบอกว่าพิสูเนี่ยสอนให้พิสูตัด ปฏิบัติเพื่อตัดขาดชาติชราและมรณนะเอิ่มยังไงถ้ามันต้องถูกอย่างหนึ่งมันต้องมีผิดอย่างหนึ่งถ้าผิดอีกอย่างอีถูกอย่างต้องถูกมันขัดกันเองนะก็เลยเรียกเมธะกะปัญหาปัญหาที่ว่าฟังแล้วมันขัดกันเองปัญหานี้ก็มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดในอัตตกะฐานหน้าสามร้อยสามสิบห้า ที่บอกว่าทรงแสดงธรรมเพื่อการตัดขาดซึ่งชาติเป็นต้นความว่าทรงแสดงธรรมเพื่อการตัดขาดซึ่งชาติชราพยาธิมรณะอันเป็นผลที่จะพึงบังเกิดในอนาคตเนี่ยนะจากเหตุปัจจุบันตามความสืบต่อการแห่งเหตุและผลด้วยพระอรหัตตมรกเนี่ยนะเขาเรียกว่าตัดขาดชาติคือการเกิดในพบใหม่ด้วยอรหัตตมักนั่นเอง แง่ปมที่ขัดแย้งกันในปัญหานี้มีอยู่ว่าถ้าหากตรัสว่าไม่ควรทําตนให้ตกไปดังนี้จริงไจก็ไม่น่าจะแสดงธรรมหมายว่าไม่ควรฆ่าตัวตายเนี่ยนะก็ไม่น่าจะแสดงธรรมเพื่อการตัดขาดซึ่งชาติคือความเกิดเป็นต้นเพราะการปฏิบัติเพื่อความไม่เกิดก็นับว่าเป็นความประสงค์จะไม่ให้มีอัตภาพเช่นเดียวกับการทําตนให้ตกไปหรือก็เหมือนกับฆ่าตัวตายนั่นแหละเนี่ยนะ ก็เพียงแต่ว่าชาติต่อตอไปไม่มีะนะก็ถ้าหากบอกว่าพิสุอยาฆ่าตัวตายนะถ้าเธอฆ่าตัวตายเป็นอบัติถ้าบอกว่าถ้าหากว่าพระองค์ห้ามอย่างนี้จริงแล้วแสดงว่าพระองค์ก็ชื่นชมในการเกิดต่อต่ อ, ตอไปแต่ถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าพิสุควรปฏิบัติเพื่อตัดชาติชรามรณะก็แสดงว่าไอการบอกว่าอย่าฆ่าตัวตายก็ต้องผิดเนี่ยนะคือฟังแล้วมันก็ขัดขัดกันยังไงชบก่นเหมือนกัน ธนาเกษมก็เลยตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูธทั้งหลายพวกเธอไม่ควรทำตนให้ตกไปพิษุรูปใดพ่งทำตนให้ตกไปก็ต้องปรับอาบัตพิษุรูปนั้นตามสมควรแก่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้จริง อีกที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายในที่ใดที่หนึ่งก็ตามพระพุทธเจ้าเมื่อแสดงธรรมบรรยายธรรมสอนธรรมเนี่ยนะย่อมทรงแสดงธรรมโดยปริยายคือโดยเหตุเป็นอันมากเพื่อการตัดขาดชาติชราพยาธิมรณะจริงเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้ามีรสเดียวคือความหลุดพ้นพ้นจากไรพ้นจากชาติชราพยาธิมรณะหรือที่เรียกเราเรียกย่อๆว่าทุกข์นั่นเองนะก็แสดงธรรมทั้งหมดเพื่อตัดขาดแห่งทุกข แต่คําที่ว่านั้นมีเหตุผลนะาที่พูดเนี่ยนะทั้งสองปริยายนั้นมีเหตุมีผลหมดเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามมีเหตุผลนะที่ห้ามไม่ให้พระพิสุขฆ่าตัวตายและมีเหตุมีผลเหมือนกันที่แสดงเพื่อให้ตัดขาดชาติชาาและมรณะเนี่ยนะาคือมีเหตุผลทั้งคู่ ไม่ขัดกันหรอกหมายความว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยพระพิสูุ์ห้ามฆ่าตัวตายก็ไม่ขัดกับประโยคหลังว่าพระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรมเพื่อห้ามการเกิดหมายความว่าสอนเพื่อให้ปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์แปเพื่อตัดขาดการเกิดพระเจ้ามีิลินก็ถามว่าเหตุผลที่ทําให้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามและเหตุผลที่ทําให้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส ช, ชี้ชวนคืออะไร นนก็แบ่งเป็นสองประเด็นว่าเหตุผลที่ตรัดห้ามพระพิสุฆ่าตัวตายเหตุผลที่ว่าคืออะไรเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัดชี้ชวนหรือตรัสสอนข้อปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากชาติชราพยาธิมรณะนั้น่ะเหตุผลที่ว่าคืออะไรตอบเหตุผลแรกก่อนเหตุที่พระพุทธเจ้าห้ามพระภิสุฆ่าตัวตายหรือว่าบัญญัติพระวินัยไม่ให พระพิสุขฆ่าตัวตายฆ่าตัวเองตายฆ่าผู้อื่นเนี่ยเป็นประราชิกอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าฆ่าตัวตายนี่เป็นอาบัติทุกกฎทำไมต้องปรับอาบัติห้ามฆ่าตัวตายเมื่อเห็นภายในวัตตก็จะอยู่ไปทำไมอย่างนี้ใช่ไก็น่าจะเห็นด้วยกับการที่พระพิสุขฆ่าตัวตายแต่พระพุทธเจ้ากลับบัญญัติพระวินัยห้ามพระภิษุฆ่าตัวตายก็เลยตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิตร ภิกษุผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีล น, นะก็คือศีลสัมปันโนเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือระดับผู้มีศีลสมบูรณ์ก็คือจตุปาริสุทธิศีล ส, สมบูรณ์อันนี้ผู้ระดับต้นถ้าระดับปานกลางก็คือพระโสดาบันพระโสดาบันคือผู้มีศีลสมบูรณ์จริงๆนะพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้มีอธิศีลสมบูรณ์มีอธิจิตพอประมาณมีอธิปัญญา พอประมาณก็แปล ว, ว่ามีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาปานกลางนั่นแหละคือพระโสดาบันเพราะฉะนั้นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศีลถึงว่าถึงพร้อมด้วยจตุ ป, ปาริสุทธิศีลก็ตามถึงพร้อมด้วยศีลระดับโสดาปฏิมรักก็ตามผู้มีศีลอย่างนี้เนี่ยนะย่อมเป็นเหมือนยาแก้พิษในการใช้สลายพิษคือกิเลสของสัตว์ทั้งหลายตัวท่านนั้นเป็นเหมือนกับยาแก้พิษ ผู้มีศีลเนี่ยนะภิกษุผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีล น, นั้นย่อมเป็นเหมือนยาในการใช้สงบความเจ็บป่วยไข้คือกิเลสของสัตว์ทั้งหลายนั้นผู้มีศีลเป็นเหมือนกับยาสงบโรคภ Einstein, ัยไข้เจ็บผู้มีศีลเนี่ยนะย่อมเป็นเหมือนกับน้ำในการใช้ชำระล้างเหนือใครคือกิเลสของสัตว์ทั้งหลายผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลย่อมเป็นเหมือนกับแก้วมณี ในการมอบสมบัติทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีศีลนั้นก็ย่อมเป็นเหมือนเรือในการทำสัตว์ให้ได้ไปถึงฝั่งทะเลทั้งสี่นะครัว่าให้ทาให้ข้ามโอชสีได้ผู้มีศีลย่อมเป็นเหมือนกับนายกองเกวียนในการที่พาสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามที่กันดานคือชาติผู้มีศีลย่อมเป็นเหมือนกับลมในการใช้ดับความร้อนแห่งไฟสามกองของสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีศีลย่อมเป็นเหมือนเมฆใหญ่อันทาความหวังของสัตว์ให้เต็มผู้มีศีลย่อมเป็นเหมือนอาจารย์ในการยังสัตว์ทั้งหลายให้ศึกษาในกุศลผู้มีศีลย่อมเป็นเหมือนกับคนชี้ทางได้แม่นยำในการบอกเส้นทางแก่สัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำรีว่า ผู้มีศีลมีคุณมากมีคุณเป็นอเนกคือมีคุณมากมายไม่ใช่หนึ่งเนี่ยนะมีคุณหาประมาณไม่ได้เป็นที่รวมแห่งคุณทั้งหลายเป็นกองแห่งคุณทั้งหลายเป็นผู้สร้างความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลายเห็นป่านนี้ขอจงหยาพินาธไปเลยคือเป็นวัตถุที่ควรหวงแหนมากเพราะมีมีอุปการะคุณเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นการดำรงอยู่ของท่านเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สกแก่ สัตว์ทั้งหลายนั้นพระองค์จึงไม่ต้องการให้พระพิโสเหล่านั้นฆ่าตัวตายไม่ต้องการให้ผู้มีศีลฆ่าตัวตายเพราะมีคุณต่อผู้อื่นเป็นอันมากเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงมีพระกรุณาด้วยกรุณาหวังประโยชน์เกือ้อกูลประสงค์จะให้สัตว์พ้นจากทุกข์จึงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าดูก่อนพิโสทั้งหลาย พวกเธอไม่พึงทำตนให้ตกไปภิกษุรูปใดพึงทำตนให้ตกไปพึงปรับอาบัติภิกษุรูปนั้นตามสมควรแก่เหตุนะเพราะฉะนั้นถ้าฆ่าตัวตายจึงเป็นอาบัติทุกกฎมาครันขอถวายพระพรข้อที่ว่านี้เป็นเหตุผลในคำที่ตรัสนี้ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามขอถวายพระพรมหาปิฏ พระกุมารกัสปะผู้กล่าวธรรมะได้วิจิตเมื่อจะแสดงโลกหน้าแก่พระยาปายาสิกก็ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะก็แสดงไว้ในทีขณิกายมหาวัคปายาสิราชนยสูตรเนี่ยนะว่าอันนี้ยกบทความมาตอนหนึ่งว่ายะถ า, ายะถ า, าราชนยะสมณะบรามนาศีลวันโตกัลยานธรรมาจีรังทีคมัฏฐานังติทติ ข้อความก็ละเปอัตายะหิตายะสุขายะเทวมนุษยานังแปลว่าดูก่อนท่านพญาฟัางกันสมณะและพรามทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมย่อมดำรงอยู่ตลอดกาลยาวนานโดยประการที่จะประสบแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นอันมากแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะการอยู่นานของผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมยิ่งนานเท่าไหร่ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ย่อมประสบบุญเป็นอันมากเท่านั้นผันผู้ที่มีศีลมีกัลยาณธ ร, รรมเนี่ยดำรงอยู่นานก็โดยประการที่จะปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากผันผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเนี่ยดำรงอยู่นานก็อยู่เพื่อประโยชน์สุขแก่ช น, ชนเป็นอันมากฮัลจะอยู่นานก็อยู่เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพัาะการอยู่นานของผู้มีศีลเท่าใดก็อยู่เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์นนะเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแกเ่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเท่านั้นอันนี้เป็นเป็นกรุณาของพระองค์ที่ประสงค์จะให้สัตว์ทั้งหลายเปลื้องตนออกจากทุกข์โดยการห้ามผู้มีศีลอยากฆ่าตัวตายเพราะถ้ายิ่งอยู่เท่าไหร่การอยู่ของท่านบุคคลเหล่านี้จะไม่ทําตัวไรประโยชน์ บุคคลเหล่านี้จะไม่ใช่ทําตัวรกโลกอยู่แล้วแต่ทําตัวเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกอธิบายเพิ่มเติมว่าผู้มีศีลเป็นเหมือนกับยาแก้พิษเนี่ยนะพิษเหมือนกับว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถูกความเศร้ามองในใจเนี่ยกลุ่มรุมนะเกิดจิตใจเศร้าหมองผู้มีศีลเนี่ยจะช่วยคลายความเศร้ามองชําระความเศร้ามองให้ออกไปได้ผู้มีศีลนั้นเป็นเหมือนกับยาที่ทําให้สงบความ ป่วยไข้เกิดจากบาปอากุศลผู้มีศีลเป็นเหมือนกับน้ําชําระเหงื่อใครคือความเศร้าหมองทางกายวาจาและใจเพราะผู้มีศีลเขาช่วยได้ผู้มีศีลเป็นเหมือนแก้วมณีว่าแก้วมณีนั้นสามารถมอบสมบัติทั้งปวงให้ฉันใดถ้าบุคคลให้ทานต่อผู้มีศีลทําบุญกับผู้มีศีลเป็นต้นย่อมได้รับสมบัติทั้งปวงฉันนั้นท่านผู้มีศีลเนี่ยเป็นเหมือนกับเรือเรือทําให้ข้ามจาก ทะเลทั้งสีได้ฉันใดผู้มีศีลจะช่วยสัตว์เหล่าอื่นให้ข้ามพ้นการโมคะทิถขโขฆะปวุฆะและอวิชโชคะได้ฉันนั้น น, นะผู้มีศีลเป็นเหมือนกับหัวหน้าคือนายกองเกวียนสามารถพาสัตว์ให้ข้ามให้ข้ามทะเลทรายเนี่ยนะคือเขบอกว่าทะเลทรายเนี่ยใครที่เดินทะเลทรายถ้าไม่มีหัวหน้าที่เชี่ยวชาญชำนาญจริงๆเนี่ยยากนะที่จะข้ามทะเลทรายไปพ้นได้ผู้มีศีลก็เหมือนกับ หัวหน้านายกองเกวียนฉะนั้นเพราะสามารถพาสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากชาติชารามรณะพาสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามจากนรก น, นะเปรตอสุรกายและเดรฉานทั้งหลายพาข้ามจากอบายทุกติวินิบาสนรกได้เพผันผู้มีศีลพาสัตว์ให้ไปถึงสุขติโลกสวรรค์ได้ผันท่านผู้มีศีลก็เหมือนกับลมนั่นแหละใช้ดับความร้อนที่เกิดจากราคะใช้ดับความร้อนที่เกิดจากโทสะใช้ดับความร้อนที่เกิดจาก โมหะผู้มีศีลนั้นจึงเป็นเหมือนกับเมฆธรรมดาว่าชาวนาทั้งหลายย่อมหวังฝนฟ้าที่ตกต้องตามฤดูกาลจึงยังความปรารถนาของเขาให้เต็มเพราะถ้าฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นต้นความหวังในการทํานาทําสวนเป็นต้นก็ไร้ความหวังผู้มีศีลจึงเป็นเหมือนกับเมฆเป็นที่ตั้งแห่งความหวังของผู้มีความทุกข์ช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ทำเขาให้สมความ ปรารถนาผู้มีศีลนั้นจึงเป็นเหมือนกับอาจารย์เนี่ยนะท่านเป็นเหมือนอาจารย์เพราะอะไรเพราะท่านยังศาสตร์ทั้งหลายให้ศึกษาในกุศลธรรมท่านยังศาสตร์ทั้งหลายให้ศึกษาในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาผู้มีศีลทั้งหลายก็เหมือนกับคนที่รู้จักทางเป็นอย่างดีเพราะจะบอกให้คนอื่นเนี่ยเดินตามทางโดยเฉพาะทางคือทางสู่สุคติโลกสวรรค์และบอก แนะนำทางคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพราะฉะนั้นผู้มีศีลนี้จึงเป็นผู้มีคุณมากนะมีคุณมากมายมีคุณหาประมาณไม่ได้เป็นที่รวมแห่งคุณธรรมทุกอย่างนะเพราะท่านเป็นผู้ที่สร้างแต่ความเจริญให้แก่สัตว์ทั้งหลายเพราะสิ่งใดก็ตามที่มีประโยชน์ก็ไม่อยากให้สิ่งมีประโยชน์เนี่ยแตกทํำลายไปเร็วน่าจะอยู่ให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์มากมาย ถ้าอยู่แล้วสัตว์อื่นจะได้รับประโยชน์เป็นอันมากพราะฉะนั้นพระองค์จึงเลยบัญญัติห้ามไม่ให้ผู้มีศีลฆ่าตัวตายเนี่ยนะเพราะว่าอะไรนะสงสารคนอื่นว่าคนอื่นเดือดร้อนแน่ถ้าไม่มีผู้มีศีลเนี่ยนะเพราะว่าคําว่าผู้มีศีลเนี่ยรวมทั้งมีสมาธิและมีปัญญารวมไปด้วยยกศีลเป็นหัวหน้ายกศีลเป็นประธานนั่นเองเพราะว่าศีลเนี่ยถ้ากล่าวศีลเนี่ยสมถาวิปัสสนาพิญญามรผลก็ชื่อว่า กล่าวหมดแล้วถ้ายิ่งมีคุณธรรมยิ่งศีลมั่นคงปานใดขนาดไหนก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขนาดนั้นมันการอยู่ของผู้มีศีล น, นั้นะนะชาวโลกก็จะประสบแต่บุญเป็นอันมากเพราะท่านจะปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ชนอันมากท่านจะปฏิบัติเพื่อความสุขแก่ชนอันมากท่านจะปฏิบัติเพื่อช่วยสัตว์โลกให้พ้นภัยะนะทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ประโยชน์คือทําทุกอย่างเพื่อพระนิพพานแก่สัตว์ทั้งหลายท่านจะทําเพื่อเกื้อกูลแก่ เกื้อกูลสิ่งที่เกื้อกูลคืออริยมรรคเนี่ยนะท่านจะทําเพื่อความสุขคือทําทุกอย่างเพื่อให้สัตว์ได้รับสามัญผลมีโสดาปฏิผลเป็นต้นเพราะนนั้การปฏิบัติของท่านจึงปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข น, นะเพื่อสุขในโลกนี้เพื่อสุขในโลกหน้าแล้วก็เพื่อนิพพานสุขหรือว่าเพื่ อ, อ น, นะได้รับความสุขทุกอย่างพระองค์ก็เลยบัญญัติพระวินัยห้ามไม่ให้ผู้มีศีลฆ่าตัวตายอันนี้คือเหตุผลข้อที่หนึ่งอันนี้เป็นเหตุผลของ ที่ห้ามเนี่ยนะซึ่งพระเจ้ามิลินนั้นถือเอามาเป็นปมเป็นปัญหาว่าที่ควรจะได้รับนั่นเองมันนั่นเป็นข้อปฏิบัติของผู้มีศีลอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าควรอนุรักษ์หรือควรตามรักษาผู้มีศีลเอาไว้ว่าจะได้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย